เมื่อกี้มีเด็กเล็กมาส่งกันบ้านเด็กไม่กี่ขวบอะเราเห็นโทรสาทั้งวันเลยตัวกัะเปียงเดี๋ยวนะพูดเดีไม่ค่อยชัดเลย <c oughs> อยูนะ่ตัวเล็กๆทำโทรสาเรื่องอะไรเนี่ยจัดทำต้นคริสต์มาสแล้วเพื่อนไม่เห็นด้วยตอนตกแต่งเนะี่ยความเห็นไม่ตรงกันเลยโกรธ รรมะนะไม่ใช่ของยากอะไรนะของพื้นๆธรรมดาเนี่เราไปทำของง่ายให้ยากของที่เปิดเผยนะทำาสลึกลับเลยที่ไปทำความเป็นวิชาการขึ้นมามากมายนะจนทำมาง่ายๆ ย, ย, ยากไปหมดสมัยพุทธกาลนะคารวะฟังธรรมะพ ร, ระพุทธเจ้าเทศน์นะเป็นพระโสดาบันเยอะแยะเลยไม่เคยรู้จักคาว่าขันห้าเลย ไม่เคยรู้จักคำว่ารูปนามเลยทั้งสิ้นไม่รู้จักสักอย่างนะอย่างอนันทบินทิกะเป็นทศดาบันขึ้นชื่อลือชาตอนจะตายแนละ้วพระสารีบุตรเทศให้ฟังนะเทศเรื่องขันห้าให้ฟังนะท่านฟังแล้วท่านร้องไห้เลยบอกว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่เทศให้ฟังนะถ้าเทศให้ฟังแล้วนะจะได้เยอะกว่านี้อีกแล้วนทะ่านเลยขอบอกว่าต่อไปให้เทศเรื่องที่ยากๆให้โยมฟังบ้าง ตัวท่านไม่ได้ฟังลนะคนจำนวนมากเลยที่แค่ได้ยินคำสรรเสริญพระพุทธเจ้านะก็เป็นพระโสดาบันลนะพวกนี้แล่นไปด้วยพลังของศรัทธาแนะล่นไปด้วยพลังของศรัทธาพวกก็แล่นไปด้วยปัญญานะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกจริงๆธรรมะไม่ได้ลึกลับอะไรธรรมะเปิดเผยแสดงตัวอยู่ตลอดนั่นแลหละถ้าเราไม่สนใจ เราชอบส่งจิตออกนอกหลงไปที่โน้นหลงไปที่นี่ยลืมสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองใครยรู้สึกตัวนะเราก็รู้สึกไปเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานอย่างสอนบอกว่าเห็นร่างกายทายํางานเห็นจิตใจทํางานเนี่ยนั่งวิชาการหอกยอมไม่ได้อีกละต้องสอนว่ารูปกร น, นามโห้สอนภาษาไทยก็พอแล้วเนาะจริงๆร่างกายไม่ใช่รูปหรอกไม่ไอ้รูปอะนะคำว่ากายเนะี่ยไม่มีอยู่ในรูปหรอกภาษาไทยใช้กันเอง แต่เราแค่รูปกายก็พอแล้แต่เวลาเราภาวนาจริงๆเราจะเห็นถึงรูปได้นะอย่างเวลาบางทีเราสัมผัสขลงไปเนี้ยเรารู้สึกมันเป็นท่อนๆรู้สึกไหมเป็นแท่งแท่งเป็นท่อนๆตัวนี้เป็นรูปนะเรียกว่ารูปดินไอ้แท่งแท่งเนี้ยเป็นตัวเราไหมก็ไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นอ่ส่วนในทั้งก้อนนี้ที่เคลื่อนไหวเนี้ยถามว่าเป็นอะไรเป็นรูปเคลื่อนไหวเรียกวินยติรูปนะไม่ใช่เราไปยักหน้า ถ้าร่างกายพยักหน้าเนี่ยใช้คําอย่างนี้ไม่ได้ใช้ผิดต้องบอกรูปมันเคลื่อนไหวมันจะเรียกว่าอะไรไม่สําคัญนะสำคัญที่ว่าเห็นไหมมันไม่ใช่เราอะเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่เรามันเป็นเราขึ้นมาแล้วเพราะสมมติบัญญัตินะเพคิดเอาหรือเราจับในร่างกายไหมรู้สึกไหมบางที่ก็เย็นบางที่ก็ร้อนไม่เท่ากันหรอกความเย็นความร้อนเป็นธาตุไฟ เราสัมผัสไปเรื่อยมาตรงนี้ตรงนี้อุ่นๆ น, นะจับไปเรื่อยยิ่งร้อนกว่าเก่าอีกในธาตุไฟก็ไม่คงที่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนนะอยากเรียนให้ยุ่งก็ได้เรียนให้ง่ายก็ได้เรียนง่ายๆก็แค่รู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่เราไปรู้ไปเห็นนะไม่ใช่ตัวเราหรอกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะแต่ว่ามันไม่มีตัวเราในสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวเนี้ยเรียกอะไรก็แล้วแต่ตัวเราไม่มีนะ จิตใจทั้งหลายก็เป็นแค่สภาวะธรรมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีตัวเรานะความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราในความเป็นจริงแล้วอารมณ์ปรมัตา ธ, ธรรมอารมณ์ปรมตานะนะที่แยกเป็นรู ป, ปรนามนะีรูปดูยากที่สุดเลยเพราะร่างกายไม่ใช่รูปรคนจะเห็นรูปจริงๆนะต้องสงชานเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาที่จะเห็นไปจนทะลุกายไปเห็นรูปได้นะมันเหมาะกับคนที่มีสมาธิมากมาก ถ้ามีสมาธิมากนะจิตมันจะถอดถอนออกมานะจะเห็นในทั้งก้อนเนี้ก้อนที่เคลื่อนไหวตัว น, นี้เป็นรูปเรื่องวิญยัตติรูปไม่ใช่เราไม่ใช่เราเคลื่อนไหวนะแต่วิญยัตติรูปนะในตำราก็บอกไม่ใช่รูปแท้อีกเอาทํำวิปัสนาไม่ได้นะรูปแท้ๆต้องอย่างมหาภูตูรูปฟังก็ถอดใจล้นะเอาไว้ที่ไม่ต้องเฉียงดีกว่าดูนามาทําง่ายดีความโกรธนำโกรธเปน็นนามธรรม ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเลยความโลภความหลงความสุขความทุกข์ตัวจิตซึ่งเป็นธรรมชาติรู้เป็นนมามธรรมเราครรู้ทันนะสภาวะทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งกายทั้งใจไม่มีตัวเราคอยรู้สึกไปไม่ยากไม่ยากหรอกโดยเฉพาะการดูจิตดูใจง่ า, งายที่สุดเลยแต่ดูให้ขึ้นมีปัสนายากเหมือนกัน ดูไม่ดีนะได้แค่สมถะอย่านึกนะว่าดูจิตเป็นวิปัสนาไม่แน่เสมอไปแล้วส่วนใหญ่ดูจิตติดตสมถะซะด้วยซ้ําไปถ้าไม่รู้ว่าวิปัสนาทํำยังไงอย่างเราดูจิตนะจิตสงบจิตสบายจิตตั้งมัน่นรู้ตื่นเบิกบานสงบอยู่ยงั้นอันนี้สมถะแล้งั้นประคองใจนิ่งว่างสมถะแล้วเราจะทำวิปัสนาก็ต้องดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแยกสิ่งที่เป็นนมามธรรมออกไป จิตเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นี่เป็นอย่างหนึ่งความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่เป็นอีกอย่างหนึ่ ง, เ ป, นนงเป็นอีกขันหนึ่งแล้วคนละขันกันความโลภความโกรธความหลงเป็นอีกขันหนึ่งความจําได้ความหมายรู้สองอันไม่เหมือนกันจําได้กับหมายรู้จําได้เช่นเห็นหน้าคนนี้จําได้เลยโอ้นี่คนนี้อันนี้สมมติ ize, เาเราไปสวนสัตว์นะ ก่อนจะไปสวนสัตว์เนี่ยเราเรารู้จักแมวเราจําแมวได้พอไปในสวนสัตว์เราไม่เคยเห็นเสือเราเห็นแมวเราก็หมายรู้เอาเราจำไม่ได้เพราะเราไม่เคยเห็นหมายรู้ว่านี่คือแมวขนาดใหญ่นี่นี่การหมายรู้นะอนุมานเอาอนุโลมเอาจากข้อมูลที่มีอยู่เดิมเรียกว่าหมายรู้นะไม่เหมือนจําได้จําได้มันจําไดเ้เป๊ะเลยนะหมายรู้เนี่ยใช้ข้อมูลเดิมมาวิเคราะห์เอ า, เ, อาเช่นเราเคยเห็น ผู้หญิงไว้ผมยาวนี่แต่งตัวสวยงามมีตุ้มหูด้วยเคยเห็นผู้หญิงอย่างนีนะ้วันหนึ่งเราไปเห็นคนผมยาวมีตุ้มหูด้วยเราก็สรุปว่าผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยหมายรู้อาจจะผิดก็ได้นะอาจจะผิดก็ได้งั้นจำได้หมายรู้เนี่ยนะหลอกลวงง่ายที่สุดเลยเลอะเทอะ ง, ง่ายที่สุดเลยนะเรามาดูความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ดีกว่าง่ายๆดีนะ ด, โโดูความโลภความโกรธความหลงเนี่ยไม่ค่อยหลอกลวงหรอก โ, กโกรธก็คือโกรธและโกรธไม่มีเป็นอย่างอื่นหรอกนะโลภก็คือโลภหลงก็คือหลงแล้วตัวของมันเองชัดๆดิแล้วเราเรูาล้ลงไปเลยนะจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้ก็เห็นว่าเออความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งนะจิตใจเป็นคนรู้คนดูเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็ค่อยรู้เราก็เห็นความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งนะจิตใจที่เป็นคนรู้ว่าทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งนะ ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็เห็นนะความเฉยๆเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตใจที่รู้เฉยๆเป็นอีกส่วนหนึ่งความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาก็เห็นเลยแต่ละอันแต่ละอันเป็นคนละอย่างกันความโลภไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความหลงความโกรธก็ไม่ใช่ความโลภไม่ใช่ความหลงเป็นคนละอันกันแต่ละอันแต่ละนก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้มันคนที่ภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าเราโกรธ คนที่หัดภาวนาเป็นพอเป็นบ้างจะรู้สึกว่าจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธถ้าภาวนาชํานาญมากขึ้นนะจะเห็นว่าความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนละอนกันนี่ยจิตไม่ได้โกรธนะจิตเป็นคนรู้เนี่ยค่อยๆฝึกนะมันจะเกิดพัฒนาการที่แรกก็เราโกรธเราโลภเราหลงแต่มาก็เห็นว่าจิตมันโกรธจิตมันโลภจิตมันห ล, ลงดูไปดูไปพอชํานาญขึ้นจริงๆนะจิตกับความโลภความโกรธความลหลงก็แยกออกจากกัน ก็จะเห็นว่าจิตไม่ได้โกรธนะจิตไปเห็นความโกรธเข้าจิตไปเห็นความโลภความหลงเข้าเนี่ยค่อยฝึกแยกไปเรื่อยๆสุดท้ายแยกไปแยกมาก็จะเห็นเลยความสุขก็ไม่ใช่ตัวเราใครเห็นความสุขเป็นตัวเราบ้างถ้าเห็นก็เพี้ยนละนะใครเห็นความทุกข์เป็นตัวเราไหมลองหยิบดูลองหยิกดูแล้วตรงที่รู้สึกเจ็บอะความเจ็บมันบอกไหมว่าเป็นเรามันไม่บอกนะไม่ไม่ไม่เป็นหรอก ความโลบความโกรธความหลงก็ไม่เป็นตัวเราเนะี่ยคอยดูไปได้เราจะรู้สึกว่าจิตเป็นเราเพระจิตเป็นคนดูเนะราค่อยฝึกต่อไปอีกเราเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับนะคนไหนเห็นจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดๆเลยจิตไม่เที่ยงขันมันจะเที่ยงได้ไงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะจิตก็เป็นสังขาร น, นั่นหนึง่งนะงั้นถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงนั้เป็นมิจฉาทิฏฐนะินี่เรามาดูจิตไม่เที่ยง จิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับนะจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ความทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ความเฉยเฉยเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับนะถ้าดูเห็นมันเกิดดับตลอดเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเนี่ยคือการเดินปัญญานะถ้าดูจิตจะให้เกิดปัญญาได้มากได้ผลเนี่ยต้องแยกอย่างนี้ไม่ใช่ไปดูว่างๆอยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาใช้ไม่ได้เลยนั่นเลยไหลมากๆเลย หลวงพ่อเคยทําผิดนะไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกน่กกุมภาปีสองกกุมภา25ไปกราบท่านจิแรกท่านสอนให้ดูจิตกลับมาเราดูใหญ่เลยจิตเป็นอย่างนี้เราแก้อย่างนี้จิตเป็นอย่างี้เราแก้อย่างนี้เพื่อจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราดูจิตได้แล้วจิตเราจะตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความสุขแล้วกิเลสมาไม่ได้แล้วความทุกข์มาไม่ได้คิดอย่างนี้นะงั้น มุ่งอะไรมุ่งเอาให้จิตว่างจิตสุขจิตสบายนะั่นแหละมุ่งมาตรงนี้มุ่งทําตัวนี้และจิตไม่ว่างก็หาทางทําให้ว่างจิตไม่สุขทําให้สุขจิตไม่สบายทําให้สบายจิตไม่ดีหาทางละกิเลสทําให้ดีนี่ฝึกอยู่สามเดือนนะฝิกอยู่สามเดือนจนใจว่างว่างแล้วสบายแล้วแหมมีความสุขอยู่ได้ทั้งวันเลยไปส่งกันบ้านครั้งที่สองเป็นช่วงใกล้ๆวันวิสาขะในหกกรุมภาเนี่ยเป็นช่วงใกล้ๆวัน มาค่ะนะไม่ได้เข้าไปตรงวันนะกลัวคนเยอะให้มันเหลื่อมๆนิดนึงนะส่งงันบ้านครั้งที่สองนึงว่าท่านจะชมเราใจเราโล่งสบายโปร่งสบายไม่ชมสักคํานะบอกว่าเราดูผิดซู อ, อีกละลว่าเราไปยุ่งกับอาการของจิตไปแก้อาการของจิตนะท่านบอกให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปแก้อาการเนี่เลยจับหลักได้เลยเพราะถ้าเข้าไปแทรกแซงนะมุ่งไปให้จิตดีจิตสุขจิตสงบจิตโล่ ง, จ, ลงจิตว่างอะไรเนี้ยไอ้นี่แทรกแซงทั้งนั้นเลยนะ พระท่านสารหลักตัวนี้ได้นะโอ้ได้หลักละเราจะรู้อย่างที่มันเป็นนะค่อยมารู้ไปมันโลบมันโกรธมันลงทีแรกรู้สึกจิตโลบจิตโกรธจิตลงนะพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเราเห็นนีโลบกรธลงมันแยกออกไปจิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์แต่เดิมกับจิตมันเป็นก้อนเดียวกันพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาจริงๆนะมันเห็นในความสุขความทุกข์มันแยกออกจากจิตนะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะไม่ใช่จิตหรอกเป็นคนและสภาวะกัน เฝ้ารู Pot ้เฝ้าดูไปเลยอะไรเกิดขึ้นอันนั้นด uh> ับไปอะไรเกิดขึ้นอันนั้นดับไปความสุขเกิดขึ้นก็แค่รู้มันก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นแค่รู้มันก็ดับเฉยๆเกิดขึ้นแค่รู้มันก็ดับนี่คือการเดินปัญญานะงั้นดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตโล่งโล่งว่างๆอยู่เฉยๆไม่เดินปัญญาณนั้นเป็นสมถะนะของเรามันระวังให้มากเลยแต่เวลาที่เราเดินปัญญาดูจิตไปนะบางทีจิตก็พลิกเป็นสมถะเป็นช่วงๆไปพลิกของมันเอง เมื่อไรมันมารู้ตัวเฉยๆอยู่นะโล่งว่างสบายอยู่ก็เป็นสมถะเมื่อไรมันเห็นความเกิดดับภายในเวทนาเกิดดับสังขารเกิดดับจิตเกิดดับเห็นอยู่อย่างนีนะ้เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่นะเดินปัญญาให้มากๆไหมทาความสงบพอประมาณพอมีเรื่องมีแรงนะไม่ทําเลยก็ไม่ได้นะใจจะฟุง้งซ่านแต่ว่าเวลาที่เราดูจิตไปเนี่ยจิตจะพลิกเป็นสมถะอัตโนมัติเนี่ยเราดูหลวงพ่อดูอยู่นอีกสเดือนนะ ครั้งแรกสามเดือนทำผิดนะทำถูกอยู่สี่เดือนไปส่งกันบ้านแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าเจ็ดเดือนไปส่งนะเจ็ดเดือนแล้วมันยังไม่มีเวลาลายังไม่ได้โอกาสจะลาพักผ่อนราชการมีลาพักผ่อนงานก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกพักผ่อ <laughs> นปลายปลายปีไปส่งกันบ้านท่านพอดีเขามีงานช้างงานช้างที่สุรินทะร์โอ้ยตอนเข้าไปนะเงียบๆ เ, เพราะว่าไปตั้งแต่กลางวันไม่เสียตังค์ด้วยนะ้รไปที่วัด ถ้าเข้าไปตอนค่าต้องเสียตังค์ปิดถนนนะ่ะทางเข้าวัดถูกปิดนะเข้าไปส่งกันบ้านส่งกันบ้านท่านโอ้ครูบาอาจารย์สอนนะท่านก็ให้กําลังใจเยอะเลยนะให้เราไปทําต่อนะแล้วก็มาฝึกทุกวันทุกวันนะค่อยฝึกไปชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆมีความสุขจริงๆนะค่อยฝึกไปเถอะไม่มีอะไรเหมือนหอกธรรมะพิเศษที่สุดเลยดีที่สุดนะ ตอนนี้หลวงพ่อพูดธรรมะไปเรืะนะ่อยนคนฟังซ d ดีบ้างฟังด้วยตัวเองบ้างฟังแล้วก็มาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจพบความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนับจำนวนไม่กี่นมีคนเขียนจดหมายมาเรื่อยๆนะแต่อ่านอย่างเดียวไม่ตอบหรอกตอบไม่ไหวเอาเวลาที่ไหนไปนั่งตอบจนหมายแต่ละวันแต่ละวันแล้วบางคนถ้าตอบไปให้นะ้ำจะเอาไปโฆษณาเดี๋ยวก็เพื่อนก็จะเขียนมาอีกเราตายเลย คนที่ก็มาส่งกันบ้านทางจดหมายก็มีทางอะไรก็มีนะเขาภาวนาก็ามีความสุขบางคนจะฆ่าตัวตายแล้วได้ส d ดีไปก็โอ้จิตใจสบายขึ้นมานะพวกเราฝึกนะฝึกไปรู้สึกตัวอย่าใจลอยนะการฝึกกรรมฐานฝึกปฏิบัติเนี่ยขั้นแรกเลยหันรู้สึกตัวอย่าใจลอยพอไม่ใจลอยแล้วนะก็ดูใจมันทํางานไปเรื่อยนะ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยถ้าดูจิตดูใจไม่ออกก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูดูไปดูไปเรื่อยพอมันมีเรี่ยงมีแรงขึ้นมามันก็กลับมาดูจิตได้หรือบางทีดูกายดูจิตอยู่หมดแรงไปดูกายดูกายหมดแรงลงไปอีกก็มีอันนี้กลับไปทำสมรถาเลยไปพุทโธไปกาหนดลมหายใจอะไรก็ทาไปทาไปสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอะไร พอจิตใจได้ชุ่มชื่นมีเรี่ยวมีแรงแนละ้วก็กลับมาดูจิตได้อีกวนะนเวียนอยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อปฏิบัตินะตอนที่เดินปัญญาแท้ๆนี่ไม่ได้ดูจิตอย่างเดียวลวนะเราดูจิตดูใจนีเพื่อจนจะทั้งจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมาแยกสภาวะทั้งหลายออกมาแยกเวทนาแยกสังขารแยกจิตเลยนะถัดจากนั้นก็ดูมันทํางานบางทีก็เห็นกายทํางานบางทีก็เห็นเวทนาทํางานางทีก็เห็นสังขารทํางานเป็นกุศลอกุศลบางทีก็เห็นจิตทํางาน ดูมันทำงานแล้วขันแต่ละขันพอมันทำงานอย่างอิสระต่อกันนะไม่ก้าวไก่กันต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองนี่อย่างนี้ไม่มีปัญหาขันส่วนขันน่าทำงานกันไปร่างกายก็ทำงานของร่างกายไปความสุขความทุกข์ก็ทำงานของมันไปกุศลอกุศลก็ทำงานไปจิตก็ทำงานของมันไปจิตก็ทำหน้าที่รู้ไปกุศลอกุศลก็ปรุงดีปรุงชั่วไปเวทนาขันก็ทาหน้าที่สุขไปทุกไป ร่างกายก็ทําหน้าที่ของมันไปเนี่ยไม่ก้าวไก่กันดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งนะปัญญามันเกิดไม่มีเราไม่มีเราในที่ใดที่หนึ่งเลยในขันทั้งหลายนี้ไม่มีเรานอกเหนือจากขันทั้งหลายนี้ด้วยตัวเราไม่มีหรอกนะฝึกน้ำไม่ได้ยากอะไรเท่าที่คิดหรอกคิดมากยากนานอย่าคิดมากดูให้เยอะๆไว้รู้สึกไปเยอะๆอย่ใจลอยแล้วก็คอยรู้กายอย่าใจลอยแล้วก็คอยรู้จิตใจมันทํางานไปได้ใช้เวลาไม่นานก็จะเข้าใจคิดเอายังไงก็ไม่เข้าใจ ต้องรู้สึกเอาอย่าคิดเอานะให้รู้สึกเอาอ่ะตรวจการบ้านวันนี้โยมเยอะหรือพ่อต้องเทศมากขึ้นนิดหน่อยเพื่อลดจำนวนการแย่งชิงตรวจการบ้านนั้ใช้แรงเยอะมากเลยหน่อยอค่ะก็เห็น เกิดกับดับสลับอะไรนะเห็นยกไหมเห็นเกิดกับดับสลับกันไปอะค่ะอะไรเกิดอะไรดับนะเหมือนมันมีมันผุดผุดผุดโผ่ะค่ะโอ้นั่นแหละพอนับเป็นมันถึงปลูปรโผล่ให้ดูแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านมากกว่ามีสติค่ะเออดีที่รู้ปกติก็เป็นอย่างนั้นไก่ตัวนี้เสียงดังจึงค่ะไม่ได้เชิญมันมานะมันไม่มีอะไรแล้วค่ะไปดูด้วยเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับ ภาอนาเพื่อให้เห็นอย่างนั้นนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะ ข, ขอบคุณค่ ะ, ะโบอยู่วัดเหรอเออดีมาอยู่วัดบ้างก็มีโมหะค่ะหลวงพ่อแล้วก็กดกดไว้โบอย่าไปประคองไว้สินะปล่อยมันแล้วพอเลิกปล่อยแล้วมันฟุ้งไหมไม่ช่วงนี้ไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่หรอค่ะแต่ว่ามันมันรักดีค่ะนันเลยกดประคองไว้รักดีก็หนักนะรักดีหามจวัวจวัวหนักนะใครว่าจวัวไม่หนัก รักชั่วหามเสาเสายังเบากว่าจั่วนะจั่ววัดหลมงพ่อหนักนะเสาเสาเล็กๆก็เบารู้สึกไปนะรู้สึกไปดูเขาทํางานทํำตัวเป็นคนดูนะอยู่วัด2วันสิดูเขาทํางานไปนะอ่ะคุณในพิธีะะการครับที่ผ่านมาตามรู้ตามดูทําได้ทำได้ดีขึ้นนิดหน่อยครับาบางคราวนี่ก็จะจะรู้สึกว่าเมื่อไหรที่เรารู้สึกตัวเนี่ยคล้ายๆจะไม่มีตัว เมื่อไหรที่ไม่ลุกสื่อตัวเนี่ยคล้ายๆว่าจะมีตัวใช่นะครับแล้วก็แต่ว่าช่วงช่วงหลังๆมาสองสาเดือนหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ากดอยู่ไม่รู้ไปติดเพ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันรู้สึกจะมีน้ําหนักตลอดเนื้อเพ่งสิครับจะมีเมื่อคืนนี้ได้หลุดออกมาได้นิดหน่อยครับแต่คําถามที่อยากถามคือทำถ้าทำถ้าทําตามรูปแบบเนี่ยถ้าเป็นการทํานั่งสมาธิเพื่อดูจิตเนี่ยผมผมจะทําพอใช้ได้แต่ว่าพอทำทำเพื่อความสงบนี่มันไม่สงบ มันจะหลับไปเลยคือขาดสมาธิเพชรก็ยังหลับไปเลยฮะพวกปัญญากล้าไม่ยอมสงบง่ายครับเวลาสงบสงบนิดเดียวนะสงบนิดนิดแล้วก็ขึ้นมาทํางานต่อถ้าเป็นน้อง ม, มันก็หลับสิแต่ว่าภาวนานะี่ยก็จะมีเป็นบางช่วงบางช่วงภาวนาไงก็หลับนะแต่หลับเขาภาวนานะไม่เลิกหรอกคือจิตมันเบื่อจิตมันเบื่อโลกนะมันก็หลับไปเลยแต่ว่ามันเป็นชั่วคราว นมัสการค่ะหลวงพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะไม่เคยส่งกันบ้านเลยก็เมื่อคืนก็รู้สึกมันมันนอนไม่ค่อยหลับค่ะก็ก็ดูมันไปก็ดูมันไปก็ไม่ได้บังคับอ้าไม่หลับก็ไม่หลับก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผ่านมาก็ก็เห็นโทรศัพบ่อยนะคะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็พื้นเราโทรศัพเยอะเราก็ดูเอานะห้ามไม่ได้ไม่ได้พาวนาเพื่อห้ามนะให้กันบ้านนะวันเนี้ยใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปแล้วรู้รู้บ่อยๆ ไก่เ น, นี่ยนะเวลามันอยู่นอกวัดนะเจอคนนั้นมันจะเงียบเลยเขาะเขายิงมันพอมันอยู่ในวัดเนี่ยเจอคนแล้วยิ่งร้องใหญ่เลยเรียกร้องความสนใจสังเกตไหมหัวเรามีความสุขแต่ลืมตัวเองรู้สึกไหมเวลาจิตมีความสุขเนี่ยนะราคะแทรก เวลาราคะเกิดขึ้นแล้วมีความสุขได้นะจิตที่มีราคะเนี่ยมีความสุขได้แต่มันจะลืมตัวเองนะจะไม่เหมือนเวลาปฏิบัตินะจิตมีความสุขแต่ไม่ลืมตัวเองเนี่ยความต่างกันอย่างนี้นะนั้นเวลาราคะเนี่ยจิตมีความสุขได้จิตเป็นอุเบกขาได้โมหะเนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขานะโทสะเนี่ยจิตจะมีความทุกข์นะอ้าต่อไปเชิญ 23สากรมนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านพูดเสียงดังหน่อยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึงส่งกันบ้านสิ้นปีค่ะประมาณสิบเดือนที่ตั้งแต่เริ่มพอนามาค่ะคือตอนนี้จิตมัวค่ะแล้วก็กดไว้แล้วก็เจือด้วยโทสะค่ะแล้วก็ หนูเห็นสภาวะมาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เริ่มปฏิบตัติแต่ว่าก็เห็นว่ามันวนไปอยู่อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขแล้วใจก็ไม่เคยยอมรับสภาวะนั่น <ไป S 2> แหล ะ, <ด>ละเราเฝ้ารู้ไปนะเพื่อวันหนึ่งใจจะยอมรับทําไมมันวนไปวนมาก็จริงๆมันมีอยู่แค่นั้นอะไม่ทุกข์ก็สุขไมื่อทุกข์ไม่สุข ก, ก็เฉยๆใช่ไหมนี่ส่วนของเวทนาส่วนกิเลสก็มีแค่โลภโกรดหลงก็มีอยู่3ามตัวก็วนไปวนมาใช่ค่ะ ม, นะมันก็วนไปวนมาแบบนี้ แล้วหนูจะสังเกตตัวเองจะรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบใจเนี่ยอืมจิตเขาจะไหลเข้าพิกดทันทีเลยเหรอน่ะให้รู้ทันสังเกตจิตที่ไหลไปแล้วก็รู้ทันว่าไหลไปแล้วไม่ว่ามันนะค่ะแล้วจุดอ่อนของหนูนี่ขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าคะหรือาสองขี้นะขี้เกียจแกขี้โมโหใช่นะใช่สิต้องทําสมาอะไยังไงเพิ่มหรือเปล่าคะกระดุกดอีกไว้น่ะ ทำสมถธิก็ไม่สงบหรอกนะใจเราช่างฟุง้งมีขี้ฟุ้งอีกตัวนะไม่ไม่สงบง่ายนะแต่ถ้าใจมันไม่สงบง่ายแนละ้วหนุกเคลื่อนไหวไว้กระดุกกระดิกนะเห็นร่างกายทํางานไปกวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยทางานไปเรื่อยๆแล้วเห็นร่างกายมันทําหรือว่าถึงเวลาตกค่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไปนั่งหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอนะไรเนี้ยฝึกทุกวันวันหนึ่ง10นาทีนะ บางช่วงรู้สึกเหมือนกับว่าสติเกิดอัตโนมัติเกิดจนจนรู้สึกว่าเราพอใจแต่บางช่วงก็รู้สึกเหมือนแบบมันลงต่ําเหมือนสื่อมไปเลยค่ะเวลาภาวนานะมันเจริญบ้างเสื่อมบ้างห้ามไม่ได้เป็นทุกคนแหละช่วงไหนเจริญนะมันเหมือนมากผลนิพพานอีกนิดเดียวก็ถึงละสติเกิดทั้งวันเลยอีกช่วงหนึ่งเหมือนคนภาวนาไม่เป็นนะจะรู้สึกอย่างนั้นเป็นทุกคนอะแต่ช่วงไหนเจริญเราหลงยินดีให้รู้ทันช่วงไหนเสื่อมเรายินร้ายให้รู้ทัน ถ้ายินร้ายแล้วไม่รู้ทันนะจะเสื่อมนานนะเสื่อมได้เป็นเดือนๆเลยแต่ถ้าเราเป็นกลางเราเห็นว่าช่วงนี้สติไม่ค่อยเกิดรู้ไปอย่างเป็นกลางแล้วก็ทําในรูปแบบของเราไปนะเช่นพุทโธพุทโธหายใจไปไม่ต้องให้ดีก็ได้นะแค่ว่าเป็นเครื่องอยู่ของจิตไปเรื่อยหรือเดินจงกรมไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็เจริญเองแหละค่ะ ห, ห, หลวงพ่อคะ่ะ หนูเดินมาได้ครึ่งของครึ่งทางครึ่งทางของความตื่นยังคะอาไหม่สิกี่ครึ่งฟังแล้วงงครึ่งของครึ่งของของครึ่งอะไรเงี้ยหนูเดินไม่ได้ครึ่งทางของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรือยังคะได้สิใจก็ตื่นเป็นบางคราวแล้วละ่ะรู้สึกเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันตื่นจริงหรือเปล่าตื่นแต่ตอนนี้ตื่นเต้นตื่นแต่ว่าจิตไม่ค่อยตั้งมั่นนะดูออกไหมอย่างขณะนี้ยเรารู้สึกว่ารู้สึกตัวอยู่ ดเดีจิ ต, <อ> จ, ตจิตมันกระจายออกนอกมันอยู่ข้างนอกนะอให้รู้ทันนะ<ด>ถ้าจิตอยู่ข้างนอกอนี้ไม่ดีะนะมันจะขี้เกียจมันจะไม่ยอมดูกายดูใจให้กลับมารู้สึกร่างกายไว้ที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะคือจิตตื่นแล้วแต่ว่าปัญหาติดอยู่ตรงมันยังไม่ตั้งมั่นใช่มใช่ใช่ใจไม่ตั้งมั่นนะขอบพระคุณร้อยห้นมัสการหลวงพ่อค่ะ ส่งกันบ้านค่ะทีแล้ตอนต้นปีนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูต่อค่ะทีนี้ช่วง4ีหเดือนหลังนี้เรู้สึกว่าจิตมันอยู่ข้างนอกตลอดเวลาค่ะ ม, มันไม่ไม่มาอยู่ที่ตัวเลยอะค่ะให้รู้ทันนะแล้วก็พยายามกลับมารู้สึกร่างกายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าอนะไรอย่างนี้นะบางทีลุกขึ้นมาเดินจงกรมอะคะ่ะเดินไปมันก็คิดไปไม่รู้สึกคิดไปจิตมันไหลไปคิดให้รู้ทันะนะอย่างนั้นก็ใช้ได้ เวลาเราภาวนาในรูปแบบเนี่ยพอจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปรู้เนี่ยต่อไปจิตเคลื่อนนีดเราเห็นการที่จิตไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะว่ามันไหลไปแล้วเราไม่เห็นเบกค้างอยู่ข้างนอกมันไม่กลับบ้านเพราะงั้นเราซ้อมในรูปแบบไปแล้วเห็นจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยมันจะค่อยๆถวนกลับมาตั้งมั่นได้ค่ะขอบคุณค่ะเบอร์สองหนึ 1, ่งหนึ่งวันนี้ไม่มีอะไรจะคุยกับหลวงพ่อมากแต่จะมาขอบพระคุณค่ะได้ฟังซีดีของหลวงพ่อแล้วเดี๋ยเดี๋ยวโยม จับมาอย่างนี้เลยแต่พี่เขาร้องไคร้ได้ ฟ, ฟังซีดีของเราพ่อแล้วก็ข้งแรกนี่ก็อนอนหยอดตาอยู่เตียงก็ไหวตัวก็ไหวก็เลยพิจารณาดูอยู่<อ>ก็พออีกวันหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่เก้าอี้เนี่จะหนีไปไกลเลยฮะก็นั่งดูอยู่อืพอวันที่สามก็ได้ยินมานมันบอกว่าฟังซีดีของเราพ่อแล้วเราพ่อประโมทแล้ววุ่นวายที่สุด วิ่งหนีเลยค่ะเพราะวิ่งหนีแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ร่างกายรับไม่ไหวค่ะพ่อใจอ่อนเพียมากงานตัวสุดท้ายค่ะวิ่งหนีเลยแล้วพยายามเช็คว่ายังมีหลงเหลืออยู่ไหมขยะที่อยู่ในตัวเราไม่มีจ้ะค่ะเช็คมาประมาณสองสามอาทิตย์ค่ะ เราค่อยๆดูนะเราเวลาเกิดสภาวะอะไรทุกวันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าชี้ขาดละค่ะเราต้องใช้ความสังเกตให้มากนะตอย่างจิตขณะนี้เป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็เช็คอยู่ทุกวันทุกเวลานะดูนะแต่ยังมีการเช็ดอยู่ก็ยังไม่หมดหรอกแล้วก็ไม่มีโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็พยายามพยายามอยู่ดูอยู่ตลอดว่ามีอะไรที่จะโผล่ขึ้นมาบ้างมันไม่โผล่เพราะอะไรเพราะเราจ้องไว้หรือเปล่า ะนะโยมสังเกตนะจิตของโยมเนี่ยมันนิ่งกว่าความเป็นจริงอันนี้เป็นผลจากการที่เราฝึกสมาธิมาจิตมันมีสมาธิมาเพราะฉนะั้นเวลาที่เราจะมาดูจิตดูใจเนี่ยจะไม่มีอะไรให้ดูมันจะนิ่งไปหมดเลยแต่มันนิ่งด้วยการที่เราข่มไว้นะจิตของโยมขนาด น, นี้มีการข่มอยู่นะยังมีการกดอยู่โยมรู้สึกไหมจิตมีน้ําหนักไม่หลับไม่นอนเลยค่ะหลวงพ่อนะมันมากไปนะไปไ่หลับเองบางทีต้องนั่งลืมตา เออนะไปหายานอนหลับกินซับเม็ดหนึ่งก่อนให้มันหลับก่อนมันก็รู้สึกเหมือนจะหลับคืนนึงประมาณชั่วโมงเดียวค่ะพยายามข่มให้หลับนะไม่พอนะไม่พอพักให้พอ <c oughs> นะร่างกายพักไม่พอนะภาวนายากนะแล้วที่ว่าไม่มีกิเลสโฟลอะไรเนี่ย <c oughs> เพราะว่าสมาธิเราแรงมันจ้องอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคือนอะ่ะกิเลสนะเหมือนกับตัวแย้ตัวตุ่นอะไรเนี่ยอยู่ในรู เราถือไม้จ้องอยู่ปากรูนะมันไม่ขึ้นมาให้ดูเราก็าว่ามันไม่มีความจริงมันมีนะมันซ่อนอยู่แต่ตอนเนี้สิ่งที่ยมควรทําอันแรกเลยคือหาทางนอนให้หลับก่อนคกินข้าวให้สบายนะนอนให้หลับก็พยายามบํารุงร่างกายให้มากขึ้นเ อ, อ, ย อ, อย่างตอนนี้ยอมรู้สึกไหมตอนที่คุยกับหลวงพ่อตอนบอกว่าบํารุงร่างกายอนะไรเนี้ยใจมันไหลไปคิดคะเห็นไหมใจยังไหลอยู่ไม่ใช่พระลรหันนะจิยังไหลได้อยู่อ แล้วเมื่อเราคอยรู้ทันนะจิตไหลแล้วรู้ทำไมเมื่อกี้ตอนที่คุยกับหลวงพ่อแล้วจิตไหลเพราะตอนนั้นไม่ได้เพ่งไว้ใช่แต่ตอนที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราจะมาจ้องไว้มันชื่วจะนิง่งนะเพราะงั้นอย่าไปเชื่อมันน ะ, ะจิตเรายังไหลได้อยู่ะนะพระ ร, าหาระหันเนี่ยจิตไม่ไหลไปนะโดยไม่ได้รักษาไว้ก็ <นะ S 2> อยากให้หลวงพ่อชี้แนะค่ะเออนะของโยมนะชี้แนะนะแรกไปพักให้พอ อันที่สองอย่าไปกดจิตเอาไว้ให้นิ่งของโยมมีการควบคุมจิตจนมันเป็นอัตโนมัติเลยแล้วนะมันนิ่งอยู่ทั้งวันนิ่งอยู่ทั้งคืนจนกิเลสมันไม่โผล่ให้ดูน ะ, ะโมทนานะพิธรรมมาร้อยสามสิบหกกล่าวในมรสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมปฏิบัติสมถะมานานเจ้าค่ะเออคิดว่าตัวเองคิดว่าปฏิบัติถูกแล้วแล้วก็สามารถบังคับร่างกายให้ทําอะไรต่ออะไรได้แล้วก็ เวลาปฏิบัติเนี่ยบางครั้งเไม่มีลมหายใจลมไม่ใจหายไปก็กลัวกลัวแล้วก็เอ๊ะทำไงมั น, ม, นมันออกมาก็ไม่ได้ก็เลยต้องก็แบบต้องสู้ตายเจคะเพราะว่าไม่สามารถจะออกมาได้แล้วก็ต้องดูไปก็กลั ว, ก, ลวก็รู้ว่ากลัวไม่ตายหรอกน้ำมันไม่ตายหรอกเจ้ค่ะแล้วพอปฏิบัติทีไรมันก็จะแบบไม่มีลมหายใจทุกครั้งแล้วจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งรวมกับปฏิบัติจนกระทั่ง จะเป็นลมในสมาธิอาาา่ะเจ้ค่ะออกก็ออกไม่ได้หลังจากนั้นก็กลัวก็เลยคิดว่าสงสัยเลิกเลิกปฏิบัติดีกว่าคงคงทําไม่ได้แล้วทีนี้โยมก็ไปฟังอของหลวงพ่อเทียนลงไปปฏิบัติหลวงพ่อเทียนเพราะมันลืมตายโยมคิดว่าถ้าเไปลืมตาเนี่ยโยมก็จะได้แบบไม่ต้องดิ่งมากอทีนี้ทำํทำๆไปก็ไปเพ่งจ้องอีกอพอหลังจากนั้นโยมมาม า, ม า, มาฟังสี่ดีของพ่อ โยมก็เริ่มเริ่มดูจิตทีนี้โยมก็ดูไปเรื่อย ๆ, ๆก็ปฏิบัติเาสายหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วก็ดูจิตไปด้วยอยู่ๆมันก็ร่างกายมันก็ไม่ยอมปฏิบัติมันก็นั่งไปเฉยๆยงไม่ยอมยกมือขึ้นแล้วมันก็บอกว่าบังคับไม่ได้ร่างกายบังคับไม่ได้แล้วมีอยู่ทีหนึง่งโยมตื่นขึ้นมามองดูทุกอย่างมันมูมัวมันแบบมันสันสันสันสโยมก็ตกใจไม่ไม่ได้ดูจิตตอนตอนนั้นไม่ได้ดูจิตรู้แต่ว่า มันกลัวเอ๊ะเราเป็นอะไรเราไม่สบายหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างมันสันสันสันนคณิยมก็เอาใหม่ตั้งต้นใหม่ว่าอ่ะคณิเราเราดูจิตเฉยๆก็แล้วกันก็ตอนนี้ตอนปฏิบัติเริ่มดูจิตก็เห็นว่ามีความโกรธเข้ามามีความทุกข์มีความสุขบางครั้งฟังซีดีหลวงพ่อก็มีความสุมขสโชยแผ่วๆเข้ามาก็เอ๊ะสงสัยอีกอะเราไปเราติดสมธะอีกหรือเปล่าเพราะมัน <laughs> ติดไหมเใช่คะไม่ติด คือจิตที่เป็นกุศล น, นะมันมีความสุขโดยตัวของมันเองอย่างพอมันมีสติขึ้นมามีความสุขน้ำจะมีความสุขชฉยแผ่วๆขึ้นมาเจค่ะเป็นปกติบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็ร้องไห้แบบน้ำตาไหลถ้าร้องไห้นะเราก็รู้ว่าจิตมีปิติเจ้าค่<น>ะแล้วก็ถ้าปิติครอบงําจิตได้เราก็รู้ทันปิติแยกออกจากจิตเราก็รู้ทันท่านนิยมก็ความที่ปฏิบัติผิดมาเยอะเจ้าค่ะก็เลย ต้องมากราบถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัตินี่เข้าร้องเข้ารอยอยังจ้าคะเข้าร้องเข้ารอยนะแต่ว่าสมถะมันแรงไปนะใจมันจะซึมนิ่งๆง่ายไปงั้นพยายามเคลื่อนไหวไว้พยายามกระดุกกระดิกไว้อย่าให้นิ่งอย่างนี้โยมปฏิบัติตามสายหลวงพ่อเทียนได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ใช้ร่างกายเดินใช่ได้แล้วก็กระทบอารมณ์ไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะแต่ไม่แต่ไม่ควรหลับตาแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เดี๋ยวดิ่งมากดิ่งมากไปใช่ค่ะ กข้45แต่เวลาจิตสงบนะมันมันปิดตาของมันเองแหละนะมันหลับตาของมันเอง45อยากทราบว่าตอนนี้ติดอะไรหรือเปล่าครับอบอกหลวงพ่อมาตอนนี้ติดอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อบอกให้นะไม่มีประโยชน์ท่าไหรบอกหลวงพ่อมาจิตขนาดนี้เป็นยังไงก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วนอกจากตื่นเต้นแล้วเราไปแทรกแซงมันไหมเราไปไปบังคับมันหรือเปล่า รู้สึกไม่ค่อยบังคับเท่าจิตมีน้ำหนักไหมขณะ น, นี้หรือจิตโปร่งล่งเบามีน้ำหนักเห็นไม้มบังคับนะเมื่อไรมีน้ำหนักขึ้นมาแสดงว่ามีการแทรกแซงนะเนี่ยค่อยสังเกตอย่างนี้นะเราตื่นเต้นเราไม่อยากตื่นเต้นเราก็เลยไปแทรกแซงไปเพ่งไว้นะก็เกิดน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยหักสังเกตใจของเราไปใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานไม่มีน้ำหนักหรอก แต่ถ้าใจบาหวิวมีน้ำหนักนะแต่เป็นน้ำหนักติดลบใจเบาหวิวผิดธรรมชาตินั้นเป็นปิติไปแล้วอย่าตอนนี้ใจลอยรู้จักไหมรู้จักครับเออใจลอยใจไหลไปเราก็รู้ทันนะตอนนี้เริ่มเพ่งไว้อีกแล้วทราบไหมก็ทราบเออนะรู้ยังว่าเพ่งอยู่ครับอย่าไปแทรกแซงที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะนี่ถือว่าตอนนี้ตื่นเต้นก็เลยไปเพ่งตามรู้ตามดูทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไป มีอะไรต้องแก้ไขไหมครับไม่แก้วิปั ส, สนาไม่มีคําว่าแก้นะมีแต่รู้ตามความเป็นจริงมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่าไปแทรกแซงอย่าตอเ น, นี้ใจที่แทรกแซงลดลงแล้วรู้สึกไหมสังเกตไหมน้ําหนักลดลงแล้วนี่อย่างเนี้ใจมันค่อยตื่นขึ้นมาถ้าใจหนักๆตรงนี้ไม่ตื่นละตัวตนี้เพ่งแล้วกลับไปเพ่งและอึดอัดแล้วนี่อย่าไปเพ่งไว้ไปฝึกต่อไปดูทุกอย่างแหละนะ อยากทราบว่าตอนมีแบบเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับคือตอนนั้นมันอยากทราบว่ามันมีสติหรือเปล่าครับมันมันต้องมีสติอัตโนมัติขึ้นมาเองนะถ้าเราฝึกอยู่เรื่อยๆเวลาเกิดฉุกเฉินสมมติจะอุบิเหตุจะตายแล้วอะไรเนี้ยสติทํางานอัตโนมัติเลยนะฝึกจเจริญสติไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหรอกสติจะช่วยเราเองเลยนี่ถามดรโบก็ได้ครับรถจะรถพังทั้งคังเนเลไม่เป็นไรเลยคนก็ลือว่าหลวงพ่อ น, นี่ขลัง เราจริงสติเขดีสมถานี้ต้องทํำยังไงบ้างครับสมถนะเหรอพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้นะพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจหนีไปคิดเรารู้พุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดเรารู้ฝึกเงี้ยในสุดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาได้สมถะรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยมีกําลังอะครับใช่ใช่นะไปทําในรูปแบบนะ่ยไปพุโทโธไปอะไรงั้ยไปถ้าไม่ชอบพุโทโธก็หายใจไปอนะไรเงีนะ้ย หายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วจิตไหลไปก็รู้ฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกว่าแบบสติที่เคยรู้สึกมาที่แบบคิดว่าเป็นสติแล้วมันยังมีความจงใจอยู่แบบมันถ้าจงใจจะแน่นๆนะแต่เบื้องต้นก็มีจงใจบ้างเป็นธรรมดาฝึกไปเรื่อยจะมาอัตโนมัติไม่ได้จงใจเหมือนว่ามันผ่านมาสองรอบรอบแรกก็มันเหมือนคลายออกมาแบบพอจะเห็นความแตกต่างที่ผ่านมากับ ปัจจุบันอะไรอไม่เป็นไรนะกี่รอบเพื่อไม่เป็นไรดูไปเถอะมีแต่ของบังคับไม่ได้หนึ่งห้าสามอยู่ด้านหน้ากลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้หนูจะมารบกวนถามสภาวะหลวงพ่อนะคะคือหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นสภาวะหรือว่าหนูไม่สบายอะค่ะคือมันจะวืบไปหาหมอได้เลยไปให้เขาตรวจได้แล้วนะไม่สบายค ทางจิตใจนะ่ะก็ภาวนาไปไม่มีปัญหาอะไรน ะ, ะเอาร้อบบางคนนะหัวใจจะวายแล้วมันก็รู้สึกใจเต้นผิดปกติเนี่ยเพราะภาวนาไม่ใช่หัวใจใกล้จะวายนะบางคนจะเป็นโรคหน้ามืดวูบๆูรือ บ, นะบอกจิตจะรวมนะครับนมัศการครับหลวงพ่ อ, อครับเอากันบ้านมาส่งครับวาบไปเลยก็สภาวะที่เกิดขึ้นก็ยังเห็นอยู่อย่างต่อเลือครับเรื่องโกรธโลภหลงอะไรต่าง แล้วคนสังเกตไหมจิตทําไม่เหมือนเดิม ร, รู้สึกไหมโลกอยู่ห่างๆมากขึ้นแล้วนะรู้สึกแปนะได้ความเป็นกลางช่วงนี้ความเป็นกลางจะจะเริ่มเริ่มเห็นความเป็นกลางแต่ว่าใจเรายัางไม่เป็นกลางครับแล้วพอด<ป>ีผมเจอสภาวะนึงจะมาขอสอบถามหลวงพ่อนิด น, นึ่งครับคือตอนคืนผมนอนหลับครับตอนนอนนี่ผมก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอยู่อ ย, อยู่อยู่สักพักนึ่งครับแล้วก็นอนภาวนาไปปรากฏว่าพอผมหลับไปแล้วครับในขณะภาวนาผม ผมเห็นแต่ว่าผมไม่ได้ลืมตานะครับผมเห็นว่าขาผมอะฮะข้างล่างครับช่วงล่างที่เป็นขาเนี่ยมันสั่นไปสั่นมาแล้วผมก็ตกใจว่าทําไมผมถึงไม่สามารถให้มันหยุดได้อืผมก็ตอนนั้นผมยังยังไม่ตกไ ม, ไม่ได้ตกใจมากครับแต่ว่าผมก็ยื่นมือออกมาดูก่าครับลองดูมือผมว่าผมไม่เห็นมือตัวเองว่ามือผมมันหายไปผมตอนนี้เปิดภาะวะตกใจขึ้นมาอื ผมก็นึกถึงที่หลวงพ่อเคยเค ย, เคยเทศในซีดีครับถ้าตกใจก็ให้รู้ว่าตกใจหลังจากนั้นพอผมรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันก็หายไปอครับตรงนี้ก็เลยอยากสอบถามเพราะว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าครับครับมันรู้สึกไปได้นะแต่ไม่สําคัญหรอกรสําคัญที่ว่าไม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันจิตเราเองนะดังนั้นที่คุณรู้เนี่ยถูกละกลับมาดูจิตไว้นะนิมิตทั้งหลายหายหมดนะครับแล้วที่หลวงพ่อเคยบอกว่าจิตส่งออกนอกครับวันนั้นผมเห็นเห็นชัดเจนเลยคือว่า ผมกำลังจะเข้าบ้านนะครับเราเห็นเห็นเห็นเห็นหลานเราอยากจะวิ่งเข้าไปเล่นกับหลานครับปรากฏว่าผมยืนอยู่แต่ผมเห็นภาพผมมาฮะวิ่งไปที่หลานแล้วอผมก็กลับมานึกตัวเอ้ผมรู้สึกว่าผมคิดมากไปหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนคิดมากนะครับที่คิดกันมาผมก็เรียกว่านั่นคือน่าจะเป็นจิตส่งออกนอกไปครจิตส่งออกนอกนะแต่จิตส่งออกนอกไม่มีภาพประกอบก็ได้ครนะอย่างเวลาเราไปดูอะไรจิตเราก็วิ่งไปอยู่ที่นั้นนี่ก็ออกนอกแล้วเวลาเราคิดจิตวิ่งไปในความคิดอย่างตอนเนี้จิตออกนอกเห็นไหม ไ ม, ไม่ต้องมีภาพประกอบก็ได้นะแล้วมีก็ได้ไม่เป็นไ ร, รแล้วอย่างนี้ต้องมีอะไร ต, ต้องเพิ่มเตมิตมไหมครับรู้ลูกเดียวเลยครับขอบคุณครั บ, บรู้ด้วยความเป็นกลางครับเจสบหนึ่งอีกหน่อยหา ค, คนช่วยหลวงพ่อต่วกานบ้านลำบากนะแต่และคนภาวนากันแปลกๆดีมากเมื่อก่อนเราผิดมาเยอะประสการหลวงพ่อคะ่ะ เ, เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อมาได้เจ็ดปเดือนนะคะ ไม่ไม่ทราบว่าจริตของหนูนี่ต้องดูกายหรือใจหรือจิตดีค่ะหนูเป็นคนช่างคิดนะใจมันคิดหนักทั้งวันรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้ไปแล้วก็มันไม่เป็นกลางมันมันจะยินร้ายมากกว่ายินดีมันขี้โมโหนะเพราะฉะนั้นใจมันโมโหขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมารู้ทันมันไปอีกงั้นอันแรกนะรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่เขาเป็นเช่นมันสุขมันทุกข์มันดีมันร้ายเกิดขึ้นในใจรู้ทัน อันที่สองเมื่อรู้แล้วจิตเป็นกลางหรือจิตไม่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางก็คือยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ทันใจที่ยินดียินร้ายไปนะจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางถัดจากนั้นเรารู้ทุกอย่างด้วยจิตใจที่เป็นกลางเรื่อยไปแล้วตอนนี้ที่ปฏิบัติอยู่ไม่ซาบ พ, พอยจะใช้ได้ไหมคะพอใช้ได้นะแต่ต้องทําอีกนะแล้วข อ, อกันบ้านหลวงพ่อด้วยคะ่ะนี่ไงให้ไปทําอีกค่ะดูบ่อยๆนะดูบ่อยๆขพระคุณใจชอบฟุ้งเพราะมันช่างคิดนะ ล้วก็รู้ทันแต่เวลาวไ ป, ไปวคิดเรื่องนี้แล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขคิดอย่างนี้แล้วมีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นะนะถ้ารู้ความรู้สึกแล้วเป็นกลางก็รู้ยินดีก็รู้ยินร้ายก็รู้ในที่สุดมันจะรู้ทุกอย่างด้วยจิตที่เป็นกลางกขอบคุณค่ะสี่สิบสี่สิบอยู่ข้างหลังใครง่วงบ้างง่วงเนี่ยเยอะเลย บางคนง่วงแต่ไม่ยกเพราะหลับไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวเชิญครับนับระการครับหลวงพ่อครับพอดีผมดูจิบมาได้ประมาณหนึ่งปีนะครับช่วงแล้วก็หลังดูไม่ได้สักพักก็เริ่มมาดูกายครับดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ดูการเดินพออยู่ที่ออฟฟิศก็ดูเดินไปห้องน้ำอย่างเงี้ยครับครับพอดีช่วงนี้ช่วงสองสาเดือนนี้พลาดูแล้วมันรู้สึกรู้เฉยๆนะครับไม่ได้รู้เร็วสึดถอนเหมือนแต่ก่อน <c oughs> ก็เลยไม่แน่ใจว่า เฉยยงงไงนะพอรู้สึกตัวแล้วมันรู้สึกเฉยๆครับไม่ได้รู้สึกถอนเหมือนตอนเริ่มดูแรกๆครับ อ, อ๋อไม่เป็นไรครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต้องปรับปรุงหรือว่ายังอยู่ในทางอยู่หรือเปล่าครับพยายามทําในรูปแบบบ้างนะอย่างทุกวันพยายามไปเดินเดินจงกรมบ้างอะไรยเงี้ยจะทําให้ใจเรามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นแรงมันตกไปนิดหนึ่งสังเกตไหมมันเฉยไปหน่อยครับช่ว ย, ยครับมันเหนือยเมือบางทียุ่งกับโลกมากๆเราก็หมดแรงครับก็ไม่มีแรงภาวนานะ เป็นธรรมดาอะไรชาวโลกควรต้องปรับปรุงตรงไหนปะครับหรือว่ามีวินัยในตัวเองทุกวั น, นทําในรูปแบบบ้างนะครับนะโอเคหลวงพ่อไม่เรียกร้องเยอะหรอกใหม่ๆ10บนาทีก็พอ ร, นะรู้กายมันทํางานดูใจมันทํางานนั่งดูไปหรือเดินจงกรมก็เห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึกทุกวันวันละ10นาทีอะไรเงี้ยต่อไปมันมีความสุขนะจิตมันสงบมามันก็เพิ่มเวลาได้ เพิ่มเวลาไปเป็น15นาทีอะไรเงี้ยยีนาทีมันเพิ่มของมันเองนะมันมีความสุขที่ได้รู้กายรู้ใจเมื่ออาทิตก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาส่งกันบ้านสตาร์ด้วยหนึ่งชั่วโมงวันแรกหนูทำหนึ่งชั่วโมงวันที่สองเราก็เอาชั่วโมงครึ่งเหรอมั้งวันที่สองอ่าสีนาทีเขาคงจะมีธุระวันนี้วันที่สามสานาทีบอกเฮ้ยทำไมมันลดลงเรื่อยลดลงเรื่อยเพราะอะไรเพราะมั่นใจไม่อยากทํา ที่ใจไม่อยากทนะําล้วพ่อไปตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองมากเลยสตาร์ททีหนึ่งตั้งชั่วโมงนะมันเหนื่อยอ่ะมันก็เหนื่อยมันก็เครียดมันกบังคับตัวเองไม่มีความสุขที่ปฏิบัตินั้นหลวงพ่อเลยไม่เลไม่เรียกมากนะขอทุกวันนะวันละสิ น, นาทีพวกเราขอทุกคนอะ10นาทีนะแล้วเสร็จแล้วมันเพิ่มเองอะ่ะได้รู้สึกกายมันทนไหวเนี่ยสินาทีรู้สึกว่าทนไหวว่าทนไหวก็ดูไปอย่างสบายใจใจสงบใจสบายดูกายดูใจทํางาน ดูไปยิ่งมีความสุขคราวนี้มันเพิ่มเวลาเองแล้นะเพิ่มได้เอง 196. เหอคือไม่ได้ส่ ง, งการบ้านหลวงพ่อนานแล้วนะคะเมื่อประมาณต้นปีทีนี้ก็ไม่ทราบว่าหนูภาวนาเป็นหรือยังค่ะหนูดูตัวเองเอาไหมล่ะรู้ทันกิเลสไหมรู้ทันค่ะ เ, เวลาจะทำผิดศีลเนี่ยรู้ทันไหมรู้ทันอายใจไหมอายใจเนี่ยดีขึ้นเท่านั้นเห็นไห เคยผิดศีลแบบไม่อายตอนนี้จะผิดศีลก็อายไหมก็ดีขึ้นเห็นแก่ตัวน้อยลงบ้างไหมรู้ทันจิเลตบ่อยๆนะไรรู้บ่อยๆนะมันจะลดความเห็นแก่ตัวลงนะเราเราวัดความก้าวหน้าด้วยใจเหล่านี้เองกุศลเจริญขึ้นไมอ้ากุศลลดน้อยลงไหมนะวัดตรงนี้แหละทีนี้บางสภาวะหนู เห็นเกิดดับเงี้ยค่ะหนูว่าเลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราภาวนาเป็นหรือยังเป็นสิไม่เป็นจะเห็นหรอภาวนานะจิตก็ดีขึ้นแล้วรู้สึกไหมให้มันโปร่งโล่งเบา <au. S 1> รู้สึกว่าจิตดีขึ้นนั่นแหละจิตมันก็มีสมาธิใช่หไหมอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นสมาธิก็มากขึ้นเห็นสภาวะมันเกิดดับหไหมแต่เดิมไม่เคยเห็นตอนนี้เห็นนี่ก็ข้าวหน้าใช่หไหม เนี่ยไม่เคยมีทานก็มีทานไม่เคยมีศีลมีศีลไม่มีสมาธิมีสมาธิไม่เคยเห็นความเกิดดับของกายของใจก็เห็นนี่คือพัฒนาการทั้งสิน้นวัดตัวเองด้วยวิธีนี้แหละค่ะอันนี้ถือว่าดูจิตเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นตามชั้นตามภูมินะมันก็ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะเนี่ยตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมรูไม่ตั้งมั่นแล้วไม่เป็นกลางลจิตไม่กระจออกนอกนะ ให้รู้ทันนะรู้สึกไหมจิตไม่ค่อยมีแรงรู้สึกค่ ะ, ะต้องทำในรูปแบบทุกวันทุกวันจิตถึงจะมีแรงนะเราต้องทำเหตุนะถึงจะเกิดผลจะมาหวังผลโดยไม่ทำเหตุหวังลมล ม, ลมแรงๆไม่เกิดอยากให้จิตมีแรงต้องทำในรูปแบบทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมจิตจะมีแรงค่ะยนะี่ส <24. S 2> ิบสี่ของฟรีไม่มีนะมีแต่ต้องลงทุนลงแรงทั้งสิ้น นมัศ ก, การคะ่ะหลวงพ่ อ, อ, อวันนั้น <c oughs> เ, เ, เ, เ, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะ่ะหลับไปในห้องที่โรงแรม <c oughs> แต่พอตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเ่ยตื่นขึ้นมาในที่มืด <c oughs> ไม่มีแสงเลยแล้วก็ตกใจว่าตัวเองถูก ข, ขังอยู่ที่ไหนจํา <c oughs> ไม่ได้เลยว่ามาที่นี่ได้ยังไงเรื <c oughs> ่สัญญามันยังไม่ทํางาน <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยเห็นช่องสองช่องเนี่ยมันเริ่มเปิดขึ้นแล้วก็มีแสงผ่านเข้ามาใช่มันเปิดตาขึ้น ขอเล่าต่อค่ะทีนี้ก็เลยเหมือนกับปีนดูตามรูสองรูเนี่ยว่าข้างนอกมันคืออะไรแล้วก็เห็นว่ามันมีขนตาแปะอยู่ข้างบนข้างนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยเห็นเตียงเห็นตัวเองอะค่ะเห็นแขนเสร็จแล้วก็เลยมันมันเหมือนกับไปจําได้ว่าอ๋อเออตะกี้เราหลับไปแล้วทําไมทําไมเราไมาแหลจิตมันขึ้นจากภวังขึ้นมานะทีแรกพอมันขึ้นทีแรกเนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะเปิดทวารไหนนะ มันก็มีจิตดวงหนึ่งเป็นคนตัดสินใจเมื่าอารวาเปิดตานี่แหละออกรับอารมณ์ทางตาตัวที่ตัดสินเนี่ยเรียกว่าปัญจทวารวัชนาจิตปัญจทวารคือทวารทั้ง5เนี่ยเลือกเปิดที่ตาเปิดจักขคุทวารเสร็จแล้ววิญญาณทางตาก็เกิดรับรู้อารมณ์ทางตาได้ก่อนที่ตาจะเปิดนั่นนะเป็นการรับรู้อารมณ์ด้วยใจทีนี้ตอนนั้นที่เห็นแขนเริ่มเลื่อนเนี่ยมันรู้สึกว่า ไอหุ่นตัวนี้มันมีแขนมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรามันรู้เหมือนใช่ค่ะมันรู้สึกว่ามันตกลงเรามาอยู่ในอยู่ในร่างเนี้ยค่ะใช่แล้วแขนเลื่อนในที่เราไม่ได้สั่งนะคะออนะมันไม่ใช่ผีที่ไหนมาสิงเราสิงอยู่ในร่างนี่เองนึออกอะไรใช่ไหมแล้วพอพอมันค่อยๆตื่นเนี่ยมันค่อยๆเลลึกได้ว่าอ๋อเราคงหลับไปหรือจิตมันตื่นก่อนกายหรือเปล่าแต่มันจําถึงหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนได้ค่ะว่า เห็นหรื อ, อยังว่ากายเนี้ยไม่ใช่เราเพราะมันทำงานได้เองแต่พอตามันเบิกโครงเหมือนจิตมันตื่นทุกอย่างตื่นครบปุ๊บเนี่ยมันก็กลับไปที่เดิมคือทั้งหมดเนี้ยคือเรา เ, น, เรานี่ยค่อยฝึกไปนะปัญญามันค่อยสะสมไปมันเริ่มเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราต่อไปมันก็เห็นนะความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราสุดท้ายเลยเห็นจิตไม่ใช่เรานะ ทีนี้มันมีอีกเหตุการณ์นึงอะค่ะหลวงพ่อเคยเห็นเคยเคยเคยถูกน้ําร้อนลวกแล้วแล้วเจ็บมากทีนี้พอเพออินตอนนั้นอยู่ไกลหมอนิดหนึ่งคุณพ่อก็เลยบอกว่านั่งเพ่งไปที่ความปวดได้ไหมลองเพ่งดูว่ามันคือยื่อตัวนี้ได้ไหมถ้าเขยื่นได้ดีดมันออกไปเลยมันจะได้ไม่เจ็บอืแล้วปรากฏว่ามันทําได้จริงๆอะค่ะได้ผลของสมาธิอันนี้มั น, นะ เ, ปนเป็นการเห็นเวทนาหรือเปล่าคะเป็นการเข้าไปแทรกแซงเวทนาไม่ใช่เวทนานุปสนานะ อันนี้เป็นสมาธิอาศัยกําลังของสมาธิเนี่ยแก้รักษาโรคนะแต่ถ้าจะทําเวทนานุปัสสนาเราจะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>แต่นั้นมันจงใจนะตอนนี้ติดนิ่งๆอยู่ไหมคะหลวงใช่ประคองอยูนะ่แล้วจิตออกนอกดูออกไหมจิตวิ่งมาที่หลวงพ่อมั่งวิ่งไปโ น, น, น่นนี่มั่ง ตื่นเต้นนะรู้ทันเอาอคนสุดท้ายนะเบอร์44จะเรียกไว้เยอะเลยที่เหลือไปถามครูบาอานะใ <c oughs> นมัดกค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไห น, นออตอนต้นปีเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตอ่อนให้รู้สึก ไ, ไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะรู้สึกไหมมันแข็งแรงขึ้นค่ะรู้สึกว่าทุกมันสั้นลงอะคะ่ะ ใจมันตื่นแล้วนะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสัง เ, เกตไหมโลกนี้กลวงๆโลกนี้เบาๆคนะ่ะแต่ช่วงหลังหนูไม่หนูรู้สึกว่าบางทีพอทำในรูปแบบแล้วจิตมันนิ่งๆซึมๆเบื่อๆเฉยๆอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อมันไปติดอะไรอยู่ให้รู้ไปค่ะมันซึมรู้มันเบื่อรู้นะรู้ด้วยความเป็นกลางไปไม่เลิกนะทำไปไม่งั้นจะไม่มีกาลังค่ะอาแถมอีกคนร้ 199ดีใจัหมอยากรู้ไ้ยว่าความดีใจไม่เที่ยงใช่ค่ะกล่าวนามัสการเจ้ค่ะก็นี่เป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้านด้วยค่ะคือฟังเทปพระอาจารย์มาประมาณกับสองปีนะคะแล้วก็เคยปฏิบัติตอนที่ปฏิบัติครั้งหนึ่งเนี่ย หนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะติดสมาธิแล้วก็หนูก็คิดว่าครั้งหนึ่งหนูจะคิดหนูจะปฏิบัติรู้กายรู้ใจโดยใช้ลมหายใจนะคะแล้วก็ออพอพอรู้สึกว่าจับลมหายใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็หายไปมันมันมันวิ่งไปเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแสงแฟลชขึ้นนะะทุกครั้งแล้วก็เอ๊ะมันมันหลุดไปตรงนั้นก็เป็นแฟลชขึ้นมา ก็สองสาครั้งตอหลังก็เกิดไปแทรกแซงมันคิดว่ามันน่ารำคาญว่ามันมันหลอดมันไหลมันหลงไปเรื่อยก็เลยรู้สึกว่าเราหงุดหงิดแล้วก็มาเห็นว่าเอ๊ะมันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับนึกถึงคําพระอาจารย์ว่าเวลามันจะหลงเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้มันก็จะหลงของมันไปเองนะคะก็เลยอยากจะทราบว่านี่คือการที่เป็นเป็น ลักษณะของสมัมถะหรือว่าเป็นพ่หนูกำลังเจริญวิปั ส, สนาอยู่เจริญปัญญาแล้วนะมันเห็นนะจิตมันทํางานได้เองไม่ใช่เราหรอกะนะมันปรุงแตง่งมันเคลื่อนไหวมันทํางานเองแล้วก็หนูรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลาที่อย่างรู้สึกว่าความสุขอย่างตอนเช้านี่มีความสุขพอชักไปบ่ายกลับมารู้สึกว่าทําไมมันมวัวอื ก็รู้สึว่ามันไ ม, ม, นไม่มันไม่แน่นอนอความสุขนี่มันไม่แน่นอนจริงๆนั่นแหละไปฝึก อ, อย่างนั้นนะแล้วหนูจะขอการบ้านไปทําต่อที่ฝึกใช้ได้ค่ะคือหนูสามารถฝึกกายกระใจใช่ไปดูนะแล้วไม่ทิ้งลมหายใจหรอกใช้ใชทําสมถะหรือหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตไปด้วยๆซอมทุกวันจะได้กับหลังจิตของคุณดีนะมีแรงแต่ว่าตอนนี้จิตไม่ตั้งมั่นจิตออกนอกคุณทราบเลยค่ะร้อยเห้าเอาแถมอีกคนนึง กับนวัตการพระอาจารย์นะคะคือเมื่อช่วงช่วงต้นปีอะค่ะคือรู้สึกว่าจิตตัวเองมันพองพองมันมันมันบานบานอะค่ะแต่ว่าเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วคือรู้สึกว่าตัวเองพอฟังเรื่องของคนอื่นเขาแล้วเนี่ยใจเรามันวางเฉยเรารู้สึกว่ามันมันทุกข์มันทุกข์อะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองมองมองเห็นทุกข์ จริงๆหรือว่าหรือว่าปิดปิดไม่ให้ตัวเองไปดูนะที่ดูอยู่แล้วดีแล้วใช้ได้นะใจมันเป็นแค่คนดูนะดูไปเรื่อยๆดิไม่ทำต่อเบอร์ส1เหนึ่งแถมอีกคนหนึ่งกราบนมัสการเจ้าค่ะไม่ได้มาส่งกันบ้านสองปีแล้วก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็มันกระจายกระจายออกข้างนอกแล้วคราวนี้เป็นยังไงก็ ตั้งบ้างไปตั้งบ้างแต่รู้สึกว่าเข้าใจแล้วว่าเวลามันกลัดมาอยู่กับตัวมันเป็นยังไงเวลามันออกไปอยู่ข้างนอกมันเป็นยังไงเออทั้องอย่างนั้นสี่ภาวนาแล้วทีนี้เวลาตอนนี้มันจะเป็นบ่อยคือเวลาพูดอะไรเนี่ยแล้วพอไปเห็นความคิดแล้วมันดับไปเฉยๆนึกไม่ออกแล้วว่าจะถามหลวงพ่อว่าอะไรดีภ <laughs> <laughs> าวนาเราก็เพื่อให้เห็นอย่างนี้แหละเห็นไหม ไม่มีอะไรที่เราบางังคับได้เลยค่ ะ, ะตัวมันทํางานไปเรื่อยภาวนาเก่งแล้วน ะ, ะอยากขี้เกียจละไม่ขี้เกียจแล้วทีนี้รบกวนหลวงพ่อนิดนึงเรื่องการทําสมาธิอะค่ะมไม่แน่ใจว่าตัวเองทําสมาธิถูกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีโอกาสไปวดัดทําให้ดูซิเริ่มผิดตั้งแต่ตรงนี้และเห็นไหมไปเก็บรวบอะไรมาหมดเลยอย่าไปรวบเข้ามานั่งรู้สึกเอาเอา่ะนั้งต่อ เนี่ยไปรวบจิตเข้ามารู้สึกไหมค่ะอย่าไปรวบแบบนั้นสิทําสบายๆรู้ไปด้วยใจที่ผ่อนคลายค่ะแล้วทีนี้เนี่ยโมหะแทรกดูออกไหมค่ะซึมเลยเห็นไมซึมค่ะเออเพราะงั้นเราไม่ทําสมาธิแบบเฮ้ยโมหะเข้าค่านะพยายามทําสมาธิด้วยความรู้สึกตัวค่ะแต่ทีนี้บางทีเนี่ยเวลาทําแล้วมันมันแลบไปแลบมามันฟุ้งมากดูมันแลบ แล้วก็ถ้าใจไม่ชอบใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะฝึกตรงเนี้ฝึกรู้ทันใจตัวเองไปนั่งสมาธิแล้วก็รู้ทันใจไปฝึกอยนนี้บ่อยๆจิตสงบเองแหละบางทีมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วมันโอ๊ยเหน่อยจังเลยทำไมมีความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งสมาธิแล้วไม่เห็นมันเป็นสมาธิเลยกับนั่งสมาธิกับใช้ในชีวิตประจําวันที่เราดูจิตดูอะไรไปนั่งนะนั่งมันไม่แตกต่างกันเลยอนั่งไปแล้วมันจะได้แรงที่มันเหนื่อยเพราะว่าเราไปพยายามบังคับจิตให้นิ่ง การที่เราออกแรงบังคับันทําให้เหนื่อยถ้านั่งดูเล่นๆไม่เหนื่อยหรอกนั่งเราสบายคะนะอ้าวแถมเบอร์เก้าสิบสามขอขื้นค่ะกรมาสักการหลวงพ่อค่ะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองอ ม, อมีติดอยู่ตรงที่ว่าเหมือนนี่เป็นน้องสาวค่ะสามคนมาจากอเมริกาแล้วก็ไม่คล้ายๆกันคือ เวลาทำสมาธิเหมือนกับว่ามันไม่เป็นสมาธิไม่ทราบว่าพยายามฝึกสติให้เยอะไว้นะ <c oughs> ของคุณนี่ไม่เป็นสมาธิง่ายอะ่ะ <c oughs> ปัญญามันเยอะจิตมันชอบทำงานชอบคิดนะ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเราคอยรู้ความรู้สึกของเราบ่อยๆไป <c oughs> แต่ว่าถ้าวันไหนมันเหนื่อยมากนะก็ท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้ไม่พุทโธให้สงบนะ <c oughs> ถ้าพุทโธ ร, ระหวังว่าจะสงบเนี่ยจะอึดอัด เราพุโทโธเล่น oh. ๆพุโทโธเป็นเครื่องอยู่ของจิตแลื่จิตมาอยู่ที่พุโทโธก็รู้จิตหนีไปจากพุโทโธก็รู้พุโทโธเรารู้ทันจิตบ่อยๆจิตก็สงบของมันเอง <Okay. S 2> แต่ไปบังคับให้สงบเนยิ่งเครียด hmm. เพราะว่าเคยพุโทโธแล้วก็คือพยายามเดินจงกรมก็ไม่สงบจะพุโทโธ<ๆ>ก็ไม่สงบเพราะว่าความอยากมันนาหน้าไป <Okay. S 2> เดินก็อยากดีนะ <laughs> นั่งพุโทโธก็อยากดีนะ <Okay. S 2> เราไม่รู้ทันใจที่มีความอยากแล้วเราทําเล่นๆไป พุทโธเล่นๆหายใจเล่นๆเดินเล่นๆนะทำตัวเป็นแค่คนดูนะเห็นจิตมันพุทโธไปเห็นร่างกายมันเดินไปทำตัวเป็นคนดูสบายๆอี่างตอนเนี้ยใจหนีไปคิดทราบไหมทราค่ะนะใจหนีลไปคิดหนีรู้วอาเอาเบอร์เก้าอ่านนสการเดี๋ยวแถมให้อีกคนเดียวพออ่ะเดี๋ยวแถมให้เบอร์ห้อีกคนนึ่งจะขอโอกาสให้พ่อแม่ส่งกันบ้านนะครับหลวงพ่อ พ่อแม่มาจากปากใต้ครับอืมาจัดการกับท่านได้ภาวนาเป็นยังไงบ้างพาวนาเรื่อยๆครับรู้ทันจิตไหมครับรู้กิเลสไหมครับกิเลสเกิดบ่อยไหมเกิดบ่อยครับเป็นกลางไหมครับกลางดูไปเรื่อยนะครับตอนนี้เพ่งอยู่รู้ไหมรู้ครับเออใช้ได้เอาแม่แม่รู้สึกไหมร่างกายมันเริ่มอยู่ห่างๆครับนักการของพ่อใช่ค่ะครัตอนนี้โยม รู้สึกตัวมากขึ้นค่ะใช่แล้วก็เห็นความทุกข์มันยวงห่างค่ะนั่นแหละฝึกนะฝึกไปเรือ่อยลูกนี่เก่งแฮะแนะนำพ่อแม่แม่ก็ตื่นแล้วไปทำต่อนะอโลกมันจะห่างออกไปเรือ่อยๆเอาเบอร์ห้าสิบแปดเอาแถมคนสุดท้ายแล้วไม่แถมอีกแล้วหลวงพ่อครับแล้วไม่ขอสรุป รอปีครับเวลาสอบมันจะเห็นตัวตื่นเต้นครับววเวลาอะไนะเวลาสอบครับทําไมต้องตื่นเต้นอ่ะไม่ดูหนังสือไว้ก่อนหรือมันตื่นเต้นว่าข้อนี้จะทําได้หรือเปล่าแล้วพอทําทได้มันก็จะรู้สึกแบบกูเก่งครับเหรอโอ้ดีแล้วข้อที่ทําไม่ได้กูแย่ไหมเนี่ยคอยดูใจไปด้วยได้นะแต่เวลาสอบอย่ามวัวแต่ดูจิตนะ <c oughs> หลวงข้อครับเวลาที่สอบบางทีมันก็จะมีตัวอยากทุจริตครับแต่มันนะก็ไม่รู้ฐานนอนนะเนี่ยฝึกไว้นะโตขึ้นจะได้เป็นสอสอเวลาอยากทุจริตแล้วรู้แล้วก็มีตัวขี้เกียรอ่านหนังสือครับตัวขี้เกียรติอย่าปล่อยไว้นะยังไงก็ต้องอ่านเราอย่ายอมแพ้ความขี้เกียรถ้ายอมแพ้นะั่ชีวิตเราล้มเหลวเลยค่นะ ต้องอดทนนะเพราะนาเก่งขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหม ร, ร, รู้สึกกูเก่งไหม <c oughs> แล้วไงอีกสังเกตไหมว่าจิตปีนี้กับปีกลายเนี่ยไม่เหมือนกันแะจิตปีนี้โปร่งโล่งเบากว่าปีกลายดูออกมันรู้จำไม่ได้จำไม่ได้เหรเด็กหน้าปีหนึ่งมันนานมากจําไม่ได้สังเกตเปล่าช่วงนี้จิตใจไม่เหมือนแต่ก่อนรู้สึกไหมมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไง เมื่อก่อนมันถ้ามีโทสะเมื่อก่อนก็จะมีโทสะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันลดน้อยลงครับอืมโผู้ใหญ่ร้องโอ้โหเลย <ś> ต้องไงอีกแค่เนี่ยครับแล้วก็เห็นว่าความสุขมันก็มีอยู่แป๊บเดียวแต่ความทุกข์มันมีอยู่ทั้งนานถ้าเกิดว่านึกถึงความทุกข์มันก็จะทุกข์อีกอ๋อให้รู้ทันเอานะ รู้เรกปัจจุบันไปอย่าไปเกลียดมันมันจะดับ<ะ>ทันทีนี่ผู้ใหญ่ชักกลัวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้้หูแล้วชักกลัวแล้วกระทั่งด็อตอรโบยังอ้าวพอแล้วไปเดี๋ยวผู้ใหญ่ช็อกไปถัดจากที่จะช็อกแล้วนะเอาไปไปทำต่อนะ